สินตรียาโมลกะในสอยสิบอนุโสมนสินสีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดอุเบกินสีของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลมีจิตเป็นอุเบขากําลังอุบัติในอุปาทคณะแห่งจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยอุเบ ค, คาในประวัติการโสมนสินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่อุเบกินสีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมด ในอุป you, าทคณะแห่งจิตที่วิปยุตจากโสมนัสและอุเบกขาบุคคลผู้เข้านิโรธาสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศันยสัตพภูมิโสมนัสินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและอุเบฯฯฯกินสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิอุเบกินสีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดโสมนัสินสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลมีจิตเป็นโสมนัสกำลังอุบัติ ในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยโสมนัสในปรวัติการอุเบกขินรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่โสมนัสสินสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทคขณะแห่งจิตที่วิปยุทธ์จากอุเบกขาและโสมนัสบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิอุเบกขินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและโสมนัสสินสีก็ไม่ใช่กำลังเกิด อนุโสมนัสินซีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดสัตทินซีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นเหตุถูกะแต่มีจิตปร า, าจากโสมนัสกาลังอุบัติในอุปาทพณะแห่งจิตที่วิปยุจจากโสมนัสและที่สัมปยุจ ด, ด้วยศรัทธาในประวัติการโสมนสินซีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่สัตทินซีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดในพังคะพนันณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมด ในอุปาทคณะแห่งจิตที่วิป ย, ยุจจากโสมนัสและศัทธาบุคคลผู้เข้านิโรธาสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิโสมนัสินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสัตถินสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิสัตถินสีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดโสมนัสินสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทคณะแห่งจิตที่วิป ย, ยุจจากศัทธา และที่สัมปยุดได้โสมนัสในประวัติการสัตทินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่สมนัสสินสีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากสัทธาและสมณัสบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาันย ส, สัตตภูมิสัตทินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและสมนัสสินสีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุ สมณ ส, สินสีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดปัญญิสสนรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคลบคลผู้เป็นญาณสัมปยุตแต่ไม่จิตปราศจากโสมณ์มมมกําลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากโสมนัตและที่สัมปยุตด้วยญาณในประวัติการสมณสินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ปัญญินทรีย์ไม่ใช่ไม่กําลังเกิดในพังคคณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมด ในอุปาทัขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากโสมนัสและญาณบุคคลผู้เข้านิโรทสมาบัตและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอ ส, สัญญาสัตพุลมโสมนัสสินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและปัญญรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิปัญญินรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดโสมนัสศินสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นญาณวิปยุตแต่มีจิตเป็นโสมนัสกำลังอุบัติ ในอุปาทัศขณะแห่งจิตที่วิบยุจจากยานและที่สัมปยุจด้วยโสมนัสในประวัติการปัญญีสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่โสมนัสสียไม่ใช่มิกำลังเกิดในพังค์ขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทัขณะแห่งจิตที่วิบยุจจากยานและโสมนัสบุคคลผู้เข้านิโรธาสมาบัตและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตวภูมิปัญญิีสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิด และโสมนัสสินสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโสมนัสสินสีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดมนินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจิตเกิดได้แต่ไม่จิตปราศจากโสมนัสกำลังอุบัติในอุปาทคขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากโสมนัสในประวัติการโสมนัสสินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ม um นินทรียไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังกัคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมด บุคคลผู้เข้านิโรธาสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตถภูมิโสมนัสสินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมนินสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิมนินสีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดโสมนัสสินสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่โสมนัสสินทริยะมูลกะในจบอุเปขินทริยมูลกะใน 219รุ้ผูิเก้นุอุเบกินสีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดสัตทินสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นเหตุกะแต่มีจิตปราศจากอุเบกขากําลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากอุเบกขาและที่สัมปยุจในศรัทธาในป่ยววัติการอุเบกินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและสัตทินสีไม่ใช่ไม่กําลังเกิด ในพังคั้ขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทคขณะแห่งจิตที่วิปยุติจากอุเบกขาและศรัทธาบุคคลผู้เข้านิโรธาสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตถ ภ, ภูมิอุเบกินรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสตตินสียก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิสัตินสีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดอุเบกินสีของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นอเหตุกะ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 จัทินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและอุเบกินสีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุอุเบกขินรีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดปัญญรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นญาณสัมปยุตแต่มิจิตปราศจากอุเบกขากําลังอุบัติในอุปาท่าขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากอุเบกขาและที่สัมปยุตด้วยยานในประวัติการอุเบกขินรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิด ปัญ ญ, ญีสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขคณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทัคณะแห่งจิตที่วิปยุจจากอุเบกขาและยานบุคคลผู้เข้านิโรธาสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิอุเบกินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและปัญ ญ, ญีสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิปัญ ญ, ญีสีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดอุเบกินสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้เป็นญาณวิปยุตแต่มีจิตเป็นอุเบกขากำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากยานและที่สัมปยุตด้วยอุเบกขาในปวัติการปัญญีสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่อุเบกินรีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังกัคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทัขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากยานและอุเบกขาบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตถภูมิ ินญญียีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและอุเบกินรีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุอุเปกินรีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดมณิินรีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจิตเกิดได้แต่ไม่จิตปราศจากอุเบกขากําลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากอุเบกขาในประวติการอุเบกินรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่มณ tamam ินทรีย์ไม่ใช่ไม่กําลังเกิด ในพังก้าณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดบุคคลผู้ข้านิโรธาสมาบัติและบุคคลผู้อุบาตยอยู่ในอสัญญัตต ภ, ภูมิอุเบกขินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมนินรียก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิมนินรียของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดอุเบกขินสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่อุเบกขินทริยมูลกะในจบสัททินทริยมูลกะใน 2อ0อสิอนุสทินซีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดปัญญินรีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิปัญญินซีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดสัทินซีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นยานวิปยุตแต่เป็นเหตุกะกาลังอุบัตในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากยานและที่สัมปยุตได้ศรัทธาในประวัติการ ปัญญีสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สัตทินรีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังค้าขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทคขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากญาณและศรัทธาบุคคลผู้เข้านิโรธาสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิปัญญีสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสัตทินรียก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุสัตทินรียของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิด มณนนีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นอเหตุกะแต่มีจิตเกิดได้กําลังอุบัติในอุปาทคขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากศรัทธาในพระวจิการสัตทินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่มณีนีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดในพังค้ขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัตและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอนสัญญัตตภูมิสัตทินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิด และมนินทรี yes. ย์ก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิมนินทร์ศีกของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดสตินทรียของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่สตินทริยะมูลกะาในจบปัญญทริยะมูลกะในสองยยี่สิออนุปัญญรีกของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดมนินทร์ศีกของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิ บุ on, คคลผู้มีจิตเกิดได้และมีจิตเป็นญาณวิปยุทธ์กำลังอุบัติในอุปาทคณะแห่งจิตที่วิปยุทธ์จากญาณในประวัติการปัญญีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่เมณีสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขคณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดบุคคลผู้เข้านิโรธาสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิปัญญีสีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและเมณีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิ เมลินซีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดปัญญินรีของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปัญญทริยีมูลกะในจบปัจจีกโอกาสจากขุนทริยมูลกะใน 22 2ออนุจากขุนศีในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดโสตินศีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิโสตินศีในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดจากขุนศีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจากขุนศีในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดคาณินศีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิ คาเนนรียในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดจากขุนศีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในรปาวจรภูมิในภูมนภินั้นคาเนนซียไม่ใช่กำลังเกิดแต่จากขุนศีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในอสัญญาสัตตภูมิและอรูปภูมิในภูมินั้นคาเนนซียไม่ใช่กำลังเกิดและจากขุนศีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุจากขุนศีในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิด อิกถินีปุริสินีในภูม like ินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิปุริสินีในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดจากขุนสีในภูมินั้นก э ็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในรูปาวจรภูมิในภูมินั้นปุริสินีไม่ใช่กำลังเกิดแต่จากขุนสีไม่ใช่ไม่กกำลังเกิดในอสนญสัตตภูมิและรูปภูมิในภูมินั้นบุริสินีไม่ใช่กาลังเกิด และจากขุนสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุจากขุนสีในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดชีวิตจินรีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิกำลังเกิดปฏิชีวิตจินรีในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดจากขุนสีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมวิไม่มีอนุจากขุนสีในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดโสมนัสจินศีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหม วิชัยปฏิโซมณสินสีในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดจากขุนสีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิชัยอนุจากขุนสีในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดอุเปขินสีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิในอรูปภูมิในภูมินั้นจากขุนสีไม่ใช่กําลังเกิดแต่อุเปขินสีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดในอาศนิสัตตภูมิในภูมินั้น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 และมรีสีไม่ใช่เม่กําลังเกิดในอสัญญาสัตตภูมิในภูมินั้นจกขุนสีไม่ใช่กําลังเกิดและมณีสีก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิมณีสีในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดจกขุนสีในภูมินั้ น, นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่จกขุนทริยะ <esf. Suzanne> มูลกะในจกคานินทริยะมูลกะในสองยยีอนุ คานินทรียในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดอิทธินซีปุริสินรียในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิบุริสินรียในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดคาินทรียในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุคาเนนรียในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดชีวิตินทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิกำลังเกิดปฏิ ชีวิตินทร์สีในภูมิใดไม่ใช่ก e ําลังเกิดคาเนนรีย์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดมีไหมวิไม่มีอนุคานินทรีย์ในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดสมณสินรียในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิในรูปาวจรภูมิในภูมินั้นคานินทรีย์ไม่ใช่กําลังเกิดแต่สมณสินสีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดในอสัญญัตตภูมิและรูปภูมิในภูมินั้น คาร์เนสีไม่ใช่กำลังเกิดและสมนสินสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิสมนสินสีในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดคาร์เนสีในภูมินั i, ้นก anyway. ็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุคาร์เนสีในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดอุเปขินสีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในรูปปรวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นคาร์เนสีไม่ใช่กำลังเกิด แตอุเป็คินรีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในอสัญญสัตวภูมิในภูมิงงนัน้นคาร์เนนซีไม่ใช่กำลังเกิดและอุเป็คินรีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิอุเป็คินรีในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดคาร์เนนซีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุคาร์เนนซีในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสัตทินรีปันยินรีย์มนินทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหม วิในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นคารนินทรียไม่ใช่กําลังเกิดแต่มานินทรียไม่ใช่ไม่กําลังเกิดในอสัญญาัตรภูมิในภูมินั้นคารนินทรียไม่ใช่กําลังเกิดและมานินรียก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิมานินรีในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดคารนินทรียในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่คารนินทรียาโมลกะในเจบ อิทินทรียมูลกะในสองอยยีอนุอิทินรีในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดปุริสินซีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิปุริสินซีในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดอิทินรีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปุริสินทรีย์มูลกะใน2องยยีอนุ ปุริสินรียในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดชีวิตจินทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิกำลังเกิดปฏิชีวิตจินรีย์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดบุริสินทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมวิไม่มีอนุบุริสินทรีย์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสมณสินรีย์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในรูปาวจรภูมิในภูมินั้น ปุริสินีไม่ใช่กำลังเกิดแต่สมณสินีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในอสัญญาสัตภูมิและรูปภูมิในภูมินั้นปุริสินีไม่ใช่กำลังเกิดและสมณสินีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิสมณสินีในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดปุริสินีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุปุริสินีในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิด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 วิใช่อนุบุริสินีในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดสัตทินรีปัญญีนียมณินรีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิในรูปาวจรภูมิและรูปาวจรภูมิในภูมินั้นบุริสินีไม่ใช่กําลังเกิดแต่มณินทรียไม่ใช่ไม่กําลังเกิดในอสัญญาสัตภูมิในภูมินั้นบุริสินีไม่ใช่กําลังเกิดและมณินรีก็ไม่ใช่กําลังเกิด ปฏิมณินสีในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดปุริสินสีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปุริสินตรียมูลกะในจบชีวิตินทรียมูลกะใน226อนุชีวิตินทรีย์ในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดโสมณสินสีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดมีไหมวิไม่มีปฏิโสมนสินสีในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิด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 ทีวิตินทรียามูลกะในจบโสมณสินทรียามูลกะในสองยยี่เจอนุโสมณสินรียในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดอุเบกินรีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิอุเบกินรีในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดโสมณสินรีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุโสมณสินรีในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิด สทินสีปัญญีมะนีนีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมะนีนีในภูมใดไม่ใช่กำลังเกิดโสมนัสสินีในภูมนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่โสมนัสสินทรียหมูลกะในจบอุเปขิณเทียหมูลกะในสองอยี่สิบปดอนุอุเปขิรีในภูมใดไม่ใช่กำลังเกิด สตินสีปัญญสีมณ mm. ินสีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมนินสีในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดอุเบกขินสีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่อุเบกขินตรียะมูลกะในจบสตินทรียะมูลกะในสองอยยี่ิบเอนุสตินสีในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิด ปัญญีนีมนินีนีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมินีนีในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดสัตทินรียในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่สัตตินตรีมูลกะในจบปัญญตรียมูลกะในสองอสาสิอนุปัญญีนียในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดมะนีนีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหม วิชยปฏิมณีจีในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดปัญนญนีจีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิช่ยปัญญทรียะมูลกะในจบปัจเนียกะปุคโลกาส จกักขุนทรียมูลกะในสออยสามอนุจักขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดโสตินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจักขุเกิดไม่ได้โสตะเกิดได้กำลังอุบัติจักขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภ no ูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่โสตินรีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำเนิดจุติ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 แต่จากขุนศีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำนังจุติบุคคลผู้มีโสตะและจากผูกเกิดไม่ได้กำลังอุบัต er ิโสตินทรีย yes ์ของบุคคลเหล่าน en 네ั้นในภูมิน um um ั้นไม่ใช่กำลังเกิดและจากขุนศีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุจากขุนศีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดคาณินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจากผูกเกิดไม่ได้คาณะเกิดได้กำลังอุบัติ จากคุณสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่คาินนรีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีจักขูและคาณะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติจากคุณสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและคาินนรีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิคาินนรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดจากผลสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิ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 บุคคลผู้มีจักรผูและปริษะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติจากขุนรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและปุริสินศีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิปุริสินศีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีปุริษะเกิดไม่ได้จากผูเกิดได้กำลังอุบัติปุริสินศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิด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 จากขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดโสมนัสสินศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิโสมนัสสินศีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่ใใกำลังเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจักรคเกิดได้แต่มีจิตปราศจากโสมนัสกำลังอุบัติโสมนัสสินศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิด แต่จากขุนศีไม่ใช่เมื่อกําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีจักรโเกิดไม่ได้และมีจิตปราศจากสมณัตกําลังอุบัติโสมนัติศิลป์ศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและจากขุนศีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุจากขุนศีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดอุเป็คินศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจักขโคเกิดไม่ได้ และมีจิตเป็นอุเบกขากำลังอุบัติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแด้อุเปขินจีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้ม ha ีจักข in ุเกิดไม่ได้และมีจ <um ิตปราศจากอุเบกขากำลังอุบัต <um ิจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและอุเปขินศีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิอุเปขินจีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิด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 และจกักขุุณรีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุจักรคุณสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสัทตินรียของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจกักขรเกิดไม่ได้และเป็นเหตุตุกะกำลังอุบัติจักรคุณสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สัจทินรีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีจกักขรเกิดไม่ได้และเป็นเหตุกะกำลังอุบัติ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 บุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้เป็นอเหตุุกะมีจักผูเกิดไม่ได้กําลังอุบัติสัดทินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและจกักขุนสีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุจกนนนักขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดปันทินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจักผูเกิดไม่ได้แต่เป็นญานสัมปยุตกําลังอุบัติ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 บุคคลผู้เป็นญาณวิปยุตแต่ไม่จักผุเกิดได้กำลังอุบัติปัญญินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่จากขุนศีไม่ใช่เนื้อกำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้เป็นญาณวิปยุตและไม่จักผุเกิดไม่ได้กำลังอุบัติปัญญินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและจากขุนศีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุจากขุนศีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิด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 บุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้อิทธิเกิดได้กำลังอุบัติคานินซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมิน hmm ั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่อิถินซีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีคานะและอิทถิเกิดไม่ได้กำลังอุบัติคานินซียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและอิถินรียก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิอิถินรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิด คาเนนซีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้มีคาณะเกิดได้กำลังอุบัติอิทธินซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่คาเนนซีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีอิทธิและคาณะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติอิทธิ์ีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กาลังเกิดและคาเนนซีก็ไม่ใช่กาลังเกิด อนุคานินจียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดปุริสินรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้ปุริจะเกิดได้กันนองอุบัติคานินจีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ปุริสินทรีย์ไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีคานะและปุริจะเกิดไม่ได้กันนองอุบัติ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 บุคคลทั้งหมดผู้กําลังจิติบุคคลผู้มีปุริชาและคานะเกิดไม่ได้กํานอุบัติปุริสินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและคานินรียก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุคานินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กําลงอุบัติ คาณินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ชีว <af> ิต <Tonight> ินร no ียไม่ใช่ไม่ก <ten attributed spoiler durch> <f ady> ําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติคานินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและชีวิตินทรียก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุ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 ค่าเนนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและโสมนัสสินรีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโสมนัสสินรีของบุคคลใดในภูมิดไม่ใช่กำลังเกิดค่าเนนรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีคานะเกิดได้แต่ไม่จิตปราศจากโสมนัสกำลังอุบัติโสมนัสสินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ค่าเนนรีไม่ใช่ไม่กำลังเกิด บุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้และมีจิตปราศจากสมอนัตต์กลังอุบัติสมอนัตสินร์สีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและคานินทรีย์ก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุคานินทรียีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดอุเบกินทร์สีของบุคลลกกบคล น, นั้ น, นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้ แต่มีจิตเป็นอุเบกขากำลังอุบัติคาเนนรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่อุเบกินรีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้คนลอยจุติบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้และมีจิตปราศจากอุเบกขากำลังอุบัติคาเนนรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและอุเบกินรีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิอุเบกินรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิด คาเนนรียของบุคคลนั้นในภูมินั nice> ้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีคานะเกิดได้แต่มีจิตปราศจากอุเบคากำลังอุบัติอุเบขินซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่คาเนนซียไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้และมีจิตปราศจากอุเบคากำลังอุบัติอุเบขินซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิด และาคาเนนซีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุคาเนนซีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสัตทินซีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีคาณะเกิดไม่ได้แต่เป็นเหตุถูกะกำลังอุบัติคาเนนซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สัตทินซีไม่ใช่เนื้อกำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีคาณะเกิดไม่ได้ และเป็นอเหตุกะกําลังอุบัติคาเนนซียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและส in ok ัตินซีก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิสตินซียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดคาเนนซียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นอเหตุุกะแต่มีคานะเกิดได้กําลังอุบัติสตินซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่คาเนนรียไม่ใช่ไม่กําลังเกิด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 คาเนนรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ปัญญินรียไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้และเป็นญาวิปยุทธกาลังอุบัติคาินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและปัญญินรียก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิปัญญินรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดคาินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหม วิบุคคลผู้เป็นญาณวิปยุตและมีคานะเกิดได้กำลังอุบัติปันยินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่คานินรียไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้เป็นญาณวิปยุตและมีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติปันยินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและคานินศียก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุ คาเนนรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดมนิณณ์ซีของบุคคล right? นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้จิตเกิดได้กำลังอุบัติคาเนนรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มนิณณ์ซีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กำลังอุบัติคาเนนรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั Abdul ้นไม่ใช่กำลังเกิด